ยอมเล่นเล่นพล่านบนเวียนท่องเที่ยวไปจากคตินี้สู่คตินูนจากอุบัตินี้สู่อุบัตินูนจากปฏิสนธินี้สู่ปฏิสนธินูนจากพบนี้สู่พบน้นจากสงสารคือขันธาตยตนาเนี่ย น, นะไปสู่ขันธาตยตา น, านานูนจากวะตะัตตนี้สู่วัตตนูนเพราะฉะนั้นชื่อว่าสัตว์อันลูกศรนปักแล้วก็เล่นพล่านไปสู่ทิศะทิศแรกที่เขาเล่นก็คือทุทำชั่วกายวาจาใจ ทิศที่สก็คือไปสู่ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศใต้เป็นต้นทิศที่3ก็คือเนี่ยคติห้าเนี่ยนะเล่นไปสู่คติห เ, เพราะลูกศรเนี่ยนะมันเสียบมันปักลูกศรนเจดอย่างนะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยนะความโศกความสงสัยนะลูกสอนเราเนี่ยมันปักทิ่มแทงก็ไปเรื่อยอย่างนี้แหละคำว่าเพราะถอนลูกศรนนั้นเสียแล้วย่อมไม่เล่นไป และก็ย่อมไม่จมลงคำว่าไม่เล่นไปก็คือไม่เล่นไปทําชั่วทางกายวาจาใจไม่เล่นไปสู่ทิศเหนือทิศใต้เป็นต้นแล้วก็ไม่เล่นไปสู่ปฏิสนธินี่ยนะขณะเดียวกันก็ไม่จมลงด้วยอํานาจโอกคะอธิบายว่าสัตว์เนี่ยถอนถอดชักดึงฉุดกระชากละเวน้นบรรเทาทําให้สิน้นให้ถึงความไม่มีซึ่งลูกศรคือราคะ ถอนลูกศรคือโทสะถอนลูกศรคือโมหะถอนลูกศอนคือมานะถอนลูกศอนคือทิฐิถอนลูกศรคือความโศกถอนลูกศอนคือความสงสัยนั้นได้แล้วย่อมไม่เล่นไปสู่ทิศตะวันออกไม่เล่นไปสู่ทิศตะวันตกไม่เล่นไปสู่ทิศเหนือไม่เล่นไปสู่ทิศใต้ก็ไม่ต้องทำชั่วเมื่อไม่ทำชั่วก็ไม่ต้องเล่นไปที่ไหนสัตว์เป็นผู้สัตว์นั้นเป็นผู้ละอภิสังขารคือกรรม ละอภิสังขารคือลูกศอนเหล่านั้นได้แล้วเพราะเป็นผู้ละอภิสังขารคือลูกศอนนั้นได้แล้วจึงไม่ต้องเล่นไปในคติหไม่ต้องเล่นไปในนรกไม่ต้องเล่นไปในกําเนิดซาบดิระชานไม่ต้องเล่นไปสู่เปรตทิวสายไม่ต้องเล่นไปสู่มนุษย์โลกไม่ต้องเล่นไปในเทวโลกไม่เล่นเล่นพล่านวนเวียนท่องเที่ยวไปก็ไม่ต้องอีกแล้วนะไม่ต้องจากคตินี้สู่คติโน่น ไม่ต้องจากอุบัติอันนี้สู่อุบัติอันนู้นไม่ต้องจากปฏิสนธิอันนี้สู่ปฏิสนธิอันนู้นจากภพนี้สู่ภพนู้นจากสงสาร น, นี้สู่สงสารนู้นจากวัตตนี้สู่วัตตนูนเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเพราะถอนลูกศร น, นั้นได้เสียแล้วก็ไม่เล่นพลานไปคําว่าย่อมไม่จมลงคือไม่เล่นไปสู่ทุกทิศนะนะถ้าถ้า ถ, าถอนกิเลสได้หมดขณะเดียวกันก็ไม่จมลง คือไม่จมลงไม่จมเพราะไม่ล่มลงไม่จมลงไม่ตกลงไปในกาโมคะไม่ตกลงไปในพโวคะในทิทโคะในอวิโชโคะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเพราะถอนลูกสอนนั้นเสียแล้วย่อมไม่เล่นไปย่อมไม่จมลงสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าสัตว์อันลูกสอนใดปักติดแล้วย่อมเล่นพลานไปสู่ทิศ ท, ทั้งปวงถูกลูกศรเจ็ดอย่างเนี่ยปักก็เล่นไป เล่นไปทำชั่วบ้างเล่นไปสูทิศบ้างเล่นไปหาที่เกิดใหม่แต่ถ้าเพราะถอนลูกสอนนั้นเสียจแล้วก็ไม่จมไม่เล่นไปคือไม่เล่นไปอย่างที่กล่าวขณะเดียวกันก็ไม่จมด้วยอานาจกิเลส ท, ที่เป็นทําให้จมลงในวตาณนะคือกามโมฆะพวขคะที่โถคะวิชโชคะเนี่ยคาถาต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงการศึกษาในเพราะการมคุณ เป็นที่พัวพันในโลกบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการศึกษาหรือในการมคุณเหล่านั้นรู้ชัดการทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้วพึงศึกษาความดับของตนก็จริงอ่ะนะคนก็ศึกษาโดยมากก็ศึกษาเพื่อกามอ่ะนะ mm hmm. เรียนร่ำเรียนวิชาสารพัดวิชาก็เพื่อกามนะอ่นะมันโชคดีไปเข้าสารพัดช่างก็ไม่ได้เพื่อเนกข ม, ม่านะ mm hmm. เพื่อกามแหละ อันในการศึกษาเ น, นี่ยนะก็เช่นศึกษาเรื่องช้างเรื่องม้าเรื่องรถเรื่องธนูเรื่องหมอเรื่องเซกเรื่องเป่าเรื่องพาตัดเรื่องยาเรื่องพูดผีเรื่องหมอกุมารเนี่ยนะจะเรื่องอะไรก็ตามเถอะศึกษาโดยมากก็ศึกษาเพื่อการอย่างวิชาตอนนี้นนะคำว่าย่อมกล่าวถึงก็คือกล่าวถึงพูดถึงเล่าถึงแสดงถึงแถลงถึงอีกอย่างหนึ่งย่อมกล่าวถึงคือย่อมเรียนเล่าเรียน ทรงจำเข้าไปทรงจำเข้าไปกำหนดเพื่อได้เฉพาะซึ่งกามมคุณเป็นที่ผัวพัน น, นะก็ทุกๆวิชานะก็ตอนที่คุณบุญชูส่งลูกไปเรียนก็ไม่ได้เรียนออกจากกามเลยนะส่งไปเรียนหากามอย่างเดียว น, นะอของเราก็เรียนหากรารรมเงนินนะเรียนสแสวงหากาม คือเบนจะมกามคุณเนี่ยนะรูปที่รู้แจ้งด้วยจักสุที่น่าปราถนาน่าพอใจรักใคร่อันประกอบด้วยกรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเรียกว่ากามมาคุณเป็นที่พัวพันนะนะเสียงกลิ่นรสโภชภะก็เหมือนกันนะที่รู้แจ้งด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายที่น่าปราถนาน้าพอใจน่ารักอันประกอบด้วยกรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดกามมาคุณทั้งห้าเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความพัวพัน ถามว่าเพราะเหตุไรเบญจากามคุณจึงเรียกว่ากามคุณเป็นที่พัวพันก็เพราะว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมปรารถนายินดีรักใคร่ชอบใจกามคุณโดยมากเพราะเหตุนั้นกามคุณห้าจึงเป็นกามคุณเป็นที่พัวพั น, น, นที่พัวพันจริงๆเลยนะก็รูปสวยๆเสียงเพราะๆมีที่ใดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็จะไปพันกันอยู่ที่นั่นแหละนะ ถามว่าที่ไหนมันน่าพันมัง่งเย็นๆอย่างเงี้ยไปดูแถวโลตัสแถวโอชองแถวอะไรทั้งหลายอะเนี่ยไปออกันอยู่แถวนั้นน่ะตามตามกาดต่างๆเนี่ยนะไปอออยู่แถวนั้นตามสวนมหรสศพตามที่สนุกๆเนี่ยนะตามที่เพลิดเพลินถ้าไม่ไปไหนก็นั่งอออยู่หน้าจอทีวีเนี่ยนะไม่ออทีวีก็เปิดเครื่องเสียงนั่งสนันวันไว้ไปหมดนีนะถ้าไม่อออยู่นั่นก็อออยู่วงเล่าตามร้านอาหารตามพัตตะคารต่างๆอะไร ก็แสดงว่าสแสวงหาเนี่ยรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะพันสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นที่พัวพันมนุษย์เทวดาทั่วไปเนี่ยก็ปรารถนาอย่างนี้กันโดยมากก็เรียกว่าร้อยละหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าที่ไม่พัวพันในสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยหายากมากคําว่าในโลกคือในมนุษย์โลกเนี่ยนะ มนุสโลกทั่วไปก็กล่าวถึงการศึกษาเพราะกรรมคุณเป็นที่พัวพันในโลกนั่นนะเป็นวิชาที่สมน้อมว่าเป็นวิชาหาตังซะส่วนใหญ่นะตังนี่แหละเขาเรียกว่ายอดของกรรมมาคุณใช่ไหมเพราะถ้ามีตังอย่างเดียวเนี่ยหารูปก็ได้หาเสียงก็ได้หากลิน่นหารสหาโพธาภาก็ได้นี่นะนันก็เลยตอนนี้ก็คือมียอดอยู่ที่สตังอย่างเดียวถ้าหาสตังได้ก็หาบ้านได้ละว่างั้นหาสตังได้ก็หารถได้นี่แหละมันสตังนี่แหละเขาเรียกว่ายอดแห่งรูปเสียงกลิน่นรส พลทพาสเนี่ยนะบ้านทั้งบ้านพับเป็นแบงก์ก็ได้เนี่ยนะใชะร่ร้านทั้งร้านพับเป็นแบง์ที่ดินเป็นแปลงๆก็พับเป็นแบง์หมด น, นะนะก็ไปขยายเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็เลยสแสวงหาเสาะหาแต่เรื่องเนี่ยบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการศึกษาหรือในการมคุณเหล่านั้นว่าให้ตรงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าไปสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเลยไม่มีจบมีสิ้นหรอกอ พอแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็จะวนไปกลับตามที่เดิม น, นะว่าภัยเกิดอจอากอาญาของตนเพราะการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นโดยมากก็แสวงหาด้วยทุจริญสามเมื่อแสวงหาด้วยทุจริตสามอ่ะเป็นยังไงผลออกมาก็จะไหลเวียนไปสู่วัตทุกเพราะฉะนั้นไม่พึงขวนขวายในการศึกษาหรือในการมคุณเหล่านั้นความว่าบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการศึกษ า, ห ร, ก า, รกษาหรือในเบญจามคุณเหล่นานัา้น คือพึงเป็นผู้ไม่น้อมไม่โน้มไม่โอนเอ็นไม่น้อมใจไปในการศึกษาหรือในเบญจากามคุณเหล่านั้นไม่พึงเป็นผู้มีการศึกษาหรือเบญจาการมคุณเหล่านั้นเป็นใหญ่อย่าเอาวิชาเหล่านั้นเป็นใหญ่นะอย่าเอ า, ารูปสวยๆเสียงเพราะๆเกลียนหอมๆรสอร่อยๆเป็นต้นเนี่ยเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นบุคคลพึงเป็นผู้ไม่ขวนขวายในการศึกษาหรือในเบญจากามคุณเหล่านั้น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 อันถ้าสามารถรู้เหตุเกิดคือสมุทัยวาระของปฏิจจสมุปบาทและนิโรธวาระคือความดับของธรรมที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะนะก็จะรู้ว่านี้ทุกนี้ความเกิดแห่งทุกนี้ความดับแห่งทุกนี้ค้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันถ้าหากว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยศัสยัยงนั้นก็ละ ก, กิเลสได้รู้ว่านี้เป็นกิเลสนะคืออาสวะนี้เหตุเกิดของอาสวะนี้ความดับอาสวะ นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะอันถ้าแทงตลอดแบบนั้นก็สามารถที่จะรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้ารู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหกรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาสาธารู้อาทีนวะนิสรณะของมหาภูตรูปสี่เมื่อรู้อย่างนี้ก็จะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญา นะกำหนดรู้ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยตีระปริญญาละทำที่ควรละด้วยปหานะปริญญาทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยสัจฉิกิริยาเนี่ยนะแล้วก็จะเจริญทำที่ควรเจริญด้วยภาวนาถ้าหากว่ามีการรู้ยิ่งซึ่งอภินยยธรรมคือการรู้ยิ่งการกำหนดรู้การละการเจริญการทำให้แจ้งดังกล่าวไปเนี่ยนะก็แทงตลอดว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดเนะีนะ่ยคำว่ารู้โดยประการทั้งปวงก็คือโดโดยกําหนดทั้งปวงทั้งปวงโดยประการทั้งปวงไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือกันนะคำว่าโดยประการทั้งปวงนี่เป็นเครื่องกล่าวรวมทั้งหมดนั่นะนะนะถามว่ารู้ชัดที่ว่าเนะี่ยรู้อะไรก็คือรู้ กามเนี่ยนะวัตถุ ก, กามกับกิเลสกาม น, นะ่เรียกว่ารู้ชัดกามโดยประการทั้งปวงถ้าคนที่รู้ชัดวัตถุกามเนี่ยนะจะต้องรู้ชัดด้วยยาตะปริญญากับติระปริญญาถ้ารู้ชัดกิเลสกามก็ต้องรู้ชัดด้วยปหานะปริญญาชื่อว่าศึกษาเนี่ยนะเขาบอกว่าพึงศึกษาเพื่อความดับของตนเนี่ยนะ คำว่าศึกษาก็ได้แก่ศิคขาสามมนะอธิศิลศิคขาอธิจิตศิคขาอธิปัญญาศิคข า, านะถามว่าอธิศิลศิคขาเนี่ยเป็นไงนนก็คือ ในหน้าส8งเนี่ยกล่าวว่าอธิศีลสิกขาเป็นฉไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลเป็นผู้สัมรวมด้วยปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษมีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีลขันน้อยศีลขันใหญ่ศีลเป็นที่ตั้งเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องบาตเป็นความสัมรวมเป็นความระวังเป็นปากเป็นประธาน แห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายนี้ชื่อว่าอาธิศีลสิกขานั่นแหละมันก็ให้อยู่ในอธิศีลสิกขาอย่างนี้นะ